ตอนนี้ท่านวิกรามาธิตขึ้นไปที่ท่านสังเวยแล้วค่ะก็ก็อย่างเคยนะคะคือเป็นคือท่านเป็นผู้ก้าหารนะค ะ, ะแล้วก็กเสียสละด้วยค่ะพอล่ากสดมาถึงเห็นพระราชานั่งอยู่พระพระเนี่ยยิ้มแย้มไม่มีความกลัวอสูรร้าก็ประหาดใจว่าเออท่านผู้กาหารแตประษาแต่สกิลว่าท่านผู้เป็นมหาวีะระท่านผู้กาหารมาจากไหนนี่ย ข้าไม่เชื่อว่าท่านคือเหยื่อที่ชาวเมืองส่งมาสังเวยแค่ค่าตามปกติทุกวันหรอกไอเจ้าตัวนี้มันสังเกตนะคะเพราะว่าชาวเมืองเนี่ยพอขึ้นมาบนแท่นก็ตัวสั่นเทิงเพราะความกลัวแทบจะหมดสติก่อนค่าจะมาถึงเสียอีก mm. แต่ว่าตัวท่านสิกลับมานั่งยิ้มไม่มีความสะทกสะท้านเลยท่านช่างกล้าหาญเสีนี่กระไรตามธรรมดาคนที่รู้ตัวว่าจะต้องตายร่างกายมันจะอ่อนปรียร่ยนเพียแรงไปหมดแต่ว่าท่านกลับมีไหมหน้าที่อิ่มเอิบ เริงรัศมีแห่งความงามอย่างน่าประหลาดท่านเป็นใครหรือก็แปลกใจมากเลยค่ะ hmm. พระราชาก็ตอบอย่างเงยืกเย็นเรียบเรีย บ, บนี่แน่รากาศสดท่านจะถามไปเพื่อประโยชน์อะไรเรามาที่นี่เนี่ยเพื่อสละตัวเองเพื่อผู้อื่นหรอกวันนี้ก็เป็นเวลาของท่านแล้วจะทําอะไรก็รีบทำไปเถอะลากาศสดได้ฟังก็คิดในใจเองชายผู้นี้นี่ช่างประเสริฐนะอุตส่าห์สละความป ร, รารถนาะที่จะมีชีวิตอย่างสุขสำราญของตัวเอง เพื่รับความทุกข์ยากของผู้อื่นท่านกล่าวว่าสัตบุรุษนั้นสัตบุรุษคือบุรุษที่ดีย่อมสละแม้ความบันเทิงสุขของตนเพื่อให้ผู้อื่นได้มีความสุขอย่าใครก็ตามที่สละความสุขของตนเองให้คนอื่นมีความสุขและสัตบุรุษบุรุษนั้นย่อมมีความเศร้าโศกอย่างลึกซึง้งเมื่อเห็นผู้อื่นตกอยู่ในความเศร้าโศกคือคนที่ดีอพอเห็นคนอื่นเศร้าโศกมันโศกตามมันต้องอมีจิ่ใจครับรากระสดุด คนนี้ยังมีคุณธรรมอยู่นะคะตนนี้นะฮะอ่าก็เลยแสดงความเคารพอย่างนอบน้อมต่อพระราชาและกล่าวว่าข้าแต่มหามีละนะคะก็คือท่านพุทาหานชีวิตของท่านเนี่ยสมควรกับการยกย่องอย่างยิ่งเพราะได้สรงบุธิร่างกายและชีวิตเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นโดยแท้ดังคํากล่าวที่ว่าเป็นความจริงแท้ทีเดียวมูสัต ท, ทั้งหลายที่ดํารงชีวิตอยู่ก็ล้วนเห็นแก่ปากท้องของตัวเองทั้งนั้นแต่ชีวิตของคนจะมีค่าที่แท้จรงิง เมื่อเขามีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นครคือใครก็ตามนะนะที่มีคติคำว่าให้มีชีวิตเพื่อผู้อื่นคนนั้นน่าจะเป็นสุขที่แท้จริงครับนะคะคือถ้าว่าเรามีแต่คำว่าให้ไม่คาดหวังเราทําอะไรก็เราคิดถึงคนอื่นประโยชน์ของคนอื่นเราก็จะมีความสุขแต่แม้กระ น, นั้นก็ไม่น่าประหลาดอะไรเลยที่พระหลุดเยี่ยงพระองค์ใช้ชีวิตบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ชีวิตของตนเองเพราะมีคํากล่าวว่าจะแปลกอะไรล่ะ ถ้าสัตว์บุรุษจะมีชีวิตอยู่เพื่อการรับใช้ผู้อื่นก็ต้นจันนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้เกิดความเย็นชื่นใจแก่ผู้อื่นหรือทั้งที่ไม่ได้รับความเย็นเรื่องนั้นเพื่อตัวของมันเองแม้แต่น้อย ค, คือมันไม่แปลกหรอกเพราะว่าคนดีเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะรับใช้คนอื่นนะเหมือนต้นจันคุณช่อเคยเห็นต้นจันแล้วใช่ไหมคะ ต้นกว้างใหญ่ไพศาลอายุยืนยาวเลยแข็งแรงใครไปยืนอยู่ใกล้ก็เย็นชื่นใจแล้วก็หอมลูกจันทร์ด้วยตัวนั้นเนี่ยให้ความชื่นใจกับคนอื่นไม่ได้เพื่อตัวมันเองเลยความสุขของชาวโลกจะเกิดขึ้นก็เพราะบุคคลที่เป็นสัตว์บุรุษนี้แหละครับความสุขของชาวโลกทั้งหลายจะดีขึ้นเพราะว่ามีคนที่เสียสละแบบนี้ครับผู้ซึ่งช่วยเหลือผู้อื่นแม้ด้วยชีวิตแต่จะหวังผลตอบแทนแม้แต่น้อยก็หาไม่ถ้าเราพูดแบบชาวพระพุทธของเราเนี่นะคะ นี่คือเป็นพฤติกรรมหรือว่าเป็นกุศลกรรมของกลุ่มของผู้ริษัทโดยแท้นะครับก<า>็เมื่อก่าวคำสรุดดีแล้วลากระสดกระอกว่าเอาละข้าแต่พระมีลราชพันภุกาหารค่าพระบาทมีความพอใจในคุณธรรมของพระองค์ยิ่งนักจะทรงปรารถนาพรอนันใดก็จงตรัสมาเถิดก็จะอํำนวยพรตามที่ทรงปรารถนาทุกประการแสดงว่าลากสุอันนี้มีมีฤทธิ์นะครับ พระราชาพระาชาก็ยิ้มแย้มด้วยมัตรีจิตนะก็ตัดมาอาลากาศสดถ้ากรุณาจะให้พรแก่เราตามความปรารถนาแล้วก็ขอว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าได้กินเนื้อมนุษย์อีกต่อไปเลยเราจะขอเตือนสติท่านนะว่าชีวิตนี้เนี่ยเป็นที่รักของท่านฉันใดสัตว์โลกทั้งปวงก็รักชีวิตของตนฉันนั้นด้วยเหตุนี้ผู้มีใจอันทิ่งธรรมเพึ่ช่วยชีวิตของสัตว์โลกไว้ให้พ้นจากความตาย เด็กๆนะคะอย่าทำร้ายสัตว์อย่าทรมานสาัตว์อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราะจะมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนครับว่าในกระแสะแห่งสังสารวัตอันไม่มีที่จบสิ้นนี้เราชนทั้งหลายต้องทนทุกทรมานครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยการเกิดนะเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วก็จะต้องมีแก่มีเจ็บมีตายที่เราเรียกว่าชาติชาาพญาทิละมลณะอเราก็จะมีความทุกข์กับความแก่ ต้องไปดึงซ้ายดึงขวาให้ตึงนะคะกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอย่างที่แอนเบนวัดเนี่ยอู้ทุกข์ทรมานอยู่วันสองวันเสียงก็ไม่เพลอเลยแผลห้าวไปหมดเนี่ยฮะผู้ฟังต้องอทนฟังไปแล้วก็ต้องมีความทุกข์จากการพัดพรากเรื่อมรณนะเนี่ยทุกชาติเลยแล้วก็มีการอันสันเธอเมื่อไปเชิญหน้ากับมรุตยูหรือสิ่งที่เน่าเปรตน่ากลัวเหมือนกันหมดถ้าท่านจะล้ำลึกมั่นในสติของตนอยู่เป็นนิดว่า เราต้องตายเราต้องตายเมืเราคิดอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะไปทำลายชีวิตกับใครแล้วละ่ะแม้ผู้นั้นจะเป็นศัตรูของท่านก็ตามเพราะว่าชีวิตเนี่ยเป็นที่รักอันยอดยิ่งของท่านชีวิตของผู้อื่นก็เป็นที่รักอันยอดยิ่งสําหรับเขาเช่นกันถ้านรักษาชีวิตของท่านให้รอดชั้นใดท่านก็ควรรักษาชีวิตของผู้อื่นให้รอดฉันนั้นคือรักตัวเองแค่ไหนก็ต้องรักคนอื่นเหมือนกันนั่นแหละเท่าเทียมกันต้องคิดใจเขาใจเรานะคะสรุปแล้วเนี่ย เราดูพฤติกรรมคนอื่นมันไม่น่าราเราก็ต้องเ อ, อใจเข้าใจเราถ้าเป็นเราจะทําอย่างนี้ไหมมันไม่เหลือบากว่าแรงจริงๆเราคงไม่ไปถึงขนาดนี้หรอกนะรเราต้องไม่ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเตือนตอนเองเสมอพยาลักษณ์สดได้สดับถ้อยคําอันเป็นเรียกว่าอมตะเลยนะอมตะวาจาจากพระราชาวิกรมาธิติมีสติรู้ผิดชอบแสดงว่าสั่งสมบุญบารมีมาดีฝังรู้เรื่องก็เลยปฏิญญาตนเป็นผู้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่นั้นมา พระราชาเมื่อได้ให้โอวาตแล้วก็เสด็จกลับพระนครอุชยินีเมื่อได้เลาเรื่องถวายจบลงบตุกตาตัวที่11ก็กล่าวว่าข้าแต่พระฤรายหมายถึงพระาามากษัตริย์พระองคคิดยังไงถ้าทรงคิดอยู่ว่าพระองค์ทรงเป็นยอดบุรุษเฉกเช่นท้นทาวิการมาทีแล้วก็สญญเสด็จขึ้นพระชอาติที่เถิดนะคะคือความนี้ต้องเสมอเท้าโพชานะคะคือขั้นที่11เนี่ยช่งักพระบาทนิดนึง หยุดคิดไหมฮะมหยุดคิดสิคะจะต้องอทิ้งชีวิตตัวเองเพื่อผู้อื่นต้องยอมสละได้เลยนะในที่สุดกส็สง9ขึ้นสูศ่ศีรษะตุ๊กตาตัวที่12ครับด้วยปะฏายอันมั่นคงทิ้งชีวิตตัวเองสละชีวิตตัวเองด้วยความกล้าหาญด้วยนะค่ะคือกล้าหาญแล้วก็นึกเปรียบเสมือนว่าบุคคลอื่นก็เสมอเหมือนด้วยตัวของเราเองค่ะนี่เป็นจริยาของผู้ที่จะครองใจคนโดยแท้ค่ะแล้วก็สามารถจะขึ้นไปสูต่ตําแหน่งสูงสุดได้ นี่แหะค่ะคุณจุติที่เขามีคํากล่าวว่าถ้าหากว่าคใครก็ตามเนี่ยที่ชนทั้งหลายยังเล่าขานเรื่องราวของพระเจ้าวิก ร, รมากะหรือว่าวิก ร, รมาทิตย์อยู่ครับคือทุกคนจะมีอานิสงฆ์นะคะถือเป็นบุญหูนะคะแต่ว่าเป็นบุญอ <ใน S 2> ย่างเดียวไม่ได้ก็เป็นบุญหูเอต้องปฏิบัติด้วยนะคะต้องปฏิบัติตามแล้วก็คิดตามว่าถ้าเป็นเราเราทำได้ไหม ผู้ใดได้ฟังองแม้เพียงฟังนะคะเขาก็มีพรนะว่าก็จะรุ่งเรืองด้วยชื่อเสีย ง, ยงเกยรติยศลาบผลนาณประการมีอำนาจความยิ่งใหญ่มีความเก่งกล้าและสิ่งอันดีงามต่างๆเป็นทวีตรีคูณขอให้เรื่องที่เล่าขานนี้เป็นอมะตะและยังยืนอยู่บนพื้นพิภพนี้มีรู้วันสิน้นสุดเพราะอะไรรู้ไหมคะพรอนันเนี้ยครับเพราะว่าเราฟังเนี้ยเราก็อยากกระทำใช่ไหมคะครับถ้าเราคิดอยากบุญมันก็มาแล้วล่ะคะ่ะดัง น, นั้นเมื่อบุญมาแล้วเนี้นะคะมันก็ ให้ความรุ่งเรืองที่ชื่อเสียงชื่อเสียงกีิติยศก็อย่างน้อยเราก็คงต้องพยายามที่จะทำอะไรให้ได้เข้าคือคนดีฟังแล้วเนี่ย<ช>มันเข้าหูเข้าใจมันก็กล่อมกล่จิตใจข อ, องเราใช่ค่ะ